อันนารฐานุปัสสนาหรือวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเมื่อตามเห็นสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกสิ่งที่ได้คืออนัตตานุปัสสนะขอไปทุกขานุปัสสนาเมื่อพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกสิ่งที่ได้นั้นคือทุกขานุปัสสนาการพิจารณาว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนัตตา ความรู้ที่ได้มาคืออ น, นัตตาโนปัสสนานี่เมื่อกี้เราบอกว่ารูปไม่ใช่ตัวตนเนี่ยนะเพามาว่าให้แปลทัศน์ศัพท์เธอกลับไปหาของโบราณเก่าๆเธออย่ามาอนักรูปไม่ใช่ตัวตนเลยมันแปลว่าอะไรไม่ใช่ตัวตนอาบอกไม่ใช่ตัวอไม่ใช่ตัวยังไงแท่งทึบอะไนี่นเขาก็ภาษาไทยก็เรียกตัวกันทั้งนั้นแหละมีกี่ตัวล่ะนะเขาไม่พูดมีกี่มีกี่ไม่ใช่ตัวตนเขาจะพูดอย่างนี้น มันไม่มีกี่ตัวอัรุษีมีกี่ตนยักษ์มีกี่ตนมันเป็นสัมมวนโวหารภาษาไทยแต่คําว่าอนัตตาของบาลีมันไม่เหมือนกับของไทยหรอกอนัตตานั่นหมายถึงว่าณอัตาอนัตตาณนะอัตาแต่ว่ามิใช่อัตามิใช่อัตาแบบเพื่อเดรัจฉีคิดขึ้นแบบหลักการของลัทธิภายนอกคิดขึ้นณนะปฏิเสธบอกไม่มีอย่างที่คุณว่าณอนัตตาก็เลยเรียก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 เป็นแข่งะถ้าเป็นภาษาไทยแบบสองแท่งสามแท่งถ้าเป็นบาลีเขาไม่เรียกนะเอกังนี่ยแทนเขาใช้คาว่าเอกังอย่างโสมณัสสาสะตังญานสัมปยุตังอาสังขาริเมกังไม่มีมันหนึ่งอ่าโสมณัสสาสะกตังอ่มหากุศลจิตดวงที่หนึ่งประกอบด้วยโสมณัสสาสตังยานสัมปยุตังอาสังขาริกังเนี่ยนะบอกจิตที่อะไรโสมัสประกอบด้วยโสมณัส ญาณสัมปยุตไม่มีการชักชวนหนึ่งดวงสองดวงอันนี้มันเป็นภาษาไทยภาษาบาลีเขาไม่มีว่าเขาตามหลังเนี่ยเขาจะมีแต่หนึ่งอะไจิตดวงที่หนึ่งหมายว่าจิตหนึ่งหรือว่ามีแต่หนึ่งสองสามสี่มันจะไม่บอกว่าข้างหลังอคืออะไรแต่ภาษาไทยนี่ใช้ว่าหนึ่งแท่งขะตะของหนึ่งแท่งดอกไม้หนึ่งดอกอะไรเราจะมีมีภาษาแต่เขาจะมีแค่หนึ่งมีแค่สองดังน้นอย่างคําว่าไม่ บางอย่างก็เหมือนกันถ้าอย่างภาษาไทยถ้าวัวควายเป็นต้นหมูม้มาเขาเรียกว่าเป็นตัวเอามาตัวมาเอามาสองตัวสตัวสี่ตัวห้าตัวถ้าบางอย่างเขาเรียกว่าเป็นตนเป็นตนั้นคําว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเอยมันคืออะไรนี่เราจะไปวิจัยให้มันเป็นอะไรมันก็เลยไม่ได้อัตตาที่แท้จริงเพรานั้นอนัตตนี่หมายความว่าสิ่งนั้นมีอยู่นะแต่ไม่ได้มีอยู่ในฐานะว่าเป็นใครหรือหรืออธิบียกว่าไม่ใช่อัตตา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 รูปจะเกิดเพราะปัจจัยเกิดถ้ารูปแต่ทําลายก็เพราะสิ้นปัจจัยทีนี้รูปเมื่อปัจจัยแต่ทําลายใครไปขอมีผู้ใดมีอํานาจจริงไหมรูปที่ไม่เที่ยงขอจงเที่ยงใไปมีอํานาจในสิ่งนั้นจริงไหมไม่จริงไม่มีใครมีอํานาจจริงขอเช่นไอ้ที่ขอเกิดมาแล้วขออยาแก่ที่แก่แล้วก็ขออยาตายที่ตายแล้วก็ไม่ต้องเกิดอีกใครมีอํานาจจริงๆริงบงหรือไม่มีอํานาจจริงหรอือเช่นว่า อย่างใครใครที่บอกว่าจักขุเป็นอัตตาคำของคนที่พูดนั้นไม่ควรเพราะอะไรเพราะจักสุมันมีทั้งเหตุเกิดถ้ามันมีเหตุเพราะมันก็ทำให้เกิดถ้ามันสิ้นปัจจัยมันก็แตกทำลายไปแล้วมีใครมีอำนาจว่าขอจักสุของเราจงเป็นอย่างนี้หรือไปมีอำนาจว่าไอ้ที่เกิดแล้วจงมาอย่าแตกอย่าทำลายผู้ใดมีอานาจจริงๆไหมมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นแหละรูปจึงเป็นอนัตตา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 การพูดรูปเป็นอนัตตาเพื่ออะไรเพื่อบ่มปัญญาผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิก็จะมีสัมมาสังกัปปะอัน น, นก็อนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาอันนั้นเป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิอันนั้นเป็นสัจจานุโกลนุสัจจานุลมิตยานอาศัยสมาธิเป็นบาเรียกว่าจิตตาวิสุทธิอาศัยศีลเป็นบาเรียกว่าศีลวิสุทธิศีลวิสุทธิจิตตาวิสุทธิเป็นบาแทง ทิฏฐิเป็นต้นจนถึงมัคค า, ายานทัศนวิสุทธิถ้าอ น, นิจานุปัสสนาก็คือปฏิปทายานทัศนวิสุทธิเมื่อรวบรวมวิสุทธิทั้งสีและวิสุทธิจิตวิสุทธิและปัญญาวิสุทธิถ้ารวมตัวกันได้เมื่อไหร่ก็เป็นอริยมรรคนั้นไอการตามเห็นรูปโดยความเป็นอนัตตานั้นจึงขอไปอานิจจานั้นก็คือเพื่อเจริญอ น, นิมิตตวิโมกข์เห็นรูปโดยความเป็นทุกข์เพื่อเจริญ อปปนิหิตาวิโมกเมื่อเจริญอนัตตานุปัสนาก็เพื่อเจริญสุญญ า, าวิโมกวิโมกสามย่อมนำมาซึ่งนิพพานเห็นไเพราะเพราะอาริยมรรคเหล่านั้นเป็นประตูแห่งทานิพพานทั้งการพูดรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงเนี่ยคือการทําปริญญาในสิ่งที่ควรกําหนดรู้วัตถุประสงค์มีอย่างเดียวคือเพื่อจะเจริญในสิ่งที่ควรเจริญ เนี่ยเพราะต้องเจริญในสิ่งที่ควรเจริญจึงนําออกจากวัตฏะได้สมัยก่อนเขาฟังแล้วเขาเข้าใจนะเพราะเขาฟังอนัตตลักษณะสูตรเขาจึงเป็นธาตุหันเพราะฟังจบเขาเจริญในสิ่งที่ควรเจริญทำกิจอริยสัตว์ตรัสรู้ทำที่สุดแห่งทุกข์นั้นในสมัยหลังเนี่ยฟังแล้วอย่างเช่นทำวัดเช้าเนี่ยนะที่เราสดๆกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะมาก็ชื่นชมวัดโบราณ น, นี่ท่านเก่งมากท่านรวบรวมแนแนวให้เราบ่มนิสัยบ่มอัธยาศัย ตรวรู้ไม่รู้ก็สวนไปเถอะเดี๋ยวสักวันหนึ่งอาจจะโตขึ้นฉลาดขึ้นอาจจะรู้ก็ได้นะเาก็วางวางเอาไวน้นะก็เลยนั้นในที่สุดถ้าเราเข้าใจดีจริงๆเอาบทสวดเหล่านั้นมาไโครัให้ดีๆเนี่ยนะ น, น, นั่นคือทางแห่งความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านคิดสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องใครบอกเลยเรียกว่าจินตาจินตามยะปัญญาสาเร็จได้ด้วยความคิดความคิดเหล่านั้นก็เกิดจากอะไร ความคิดที่เป็นวิปัสนาเหล่านั้นเนี่ยนะความคิดที่ประกอบด้วยปัญญาเหล่านั้นอะ่ะคิดได้เองเนี่ยมาจากอะไรมาจากอุปนิสัยที่สั่งสมมาเป็นอย่างดีอะไนะวันก่อนพูดะนะปุพะโยคะวจระสูตรใช่ไหมในสุตกานิบาตว่าผลของการอบรมมาเป็นอย่างดีแล้วพระประเจกที่ท่านคิดได้ไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะท่านเคยคิดอย่างนี้มาตั้งสองหมื่นปีพอตอนหลังมาคิดอย่างนี้ได้อีกจะไปแปลกใจทําไม อางพระพุทธเจ้าท่านคิดแนวนี้ท่านคิดหลักการอันนี้มาเสียสงไขแล้วท่านก็เลยคิดได้เอะของเราเนี่ยปัญหาว่าอาการพูดบางคนนะ่ะก็ท่านคิดมานานแล้วของเราไม่เคยคิดมาก่อนแต่ก็ไม่พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าจะคิดตามนะพูดเพื่อจะทอก็เท่าไม่ได้สั่งสมบุญมาประมาณนั้นนะอ้างไปเรื่อยนั้นคําพูดบางอย่างเนี่ยพูดในน้อยเพื่ออะไรนะเพื่อที่จะได้บอกว่าเออฉันโง่อยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ ยังใช้ได้ให้อาภัยได้เสมอใช่ไหมให้อาภัยได้เสมอแต่ไม่ได้คิดว่าเออเนี่ยเราน้อยนี่นะถ้าเราสะสมแบบท่านนะถ้าเราใช้เวลาเหมือนท่านคิดเหมือนท่านเป็นไปในแนวเดียวกันกับท่านสักวันหนึ่งเราก็ต้องเดินตามท่านรู้แบบท่านแน่นอนเ อ, อ๊ทอํายังไงเราจะคิดได้เหมือนท่านเออถ้าอย่างงี้แนวโน้มเจริญแต่ว่าโ อ, อ้กว่าเรามันบุญ น, น้อยกว่าเรามันปุตุชนพวกนี้อนุรักษ์นิยมรักษาไว้ดีเยี่ยมคงสถานะไว้ตัวเองไม่น้อมไปเพื่อการพัฒนา ว่างันดังนั้ น, น, นสอนในพรของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์จะพูดในแง่ไหนแสดงในแง่ไหนเพื่อสร้างความเพียรขึ้นมานะเพื่อให้ตั้งอัตตาสัมมาปณิทิหลายสูตรพระพุทธเจ้าแสดงเพื่อให้พระพิสุทั้งหลายกยิมใจกยิมภาษาไทยเด่นนะแต่มันเข้าใจา ย, ยากกยิมนี่ปแปลว่าอะไรเคยได้ยินไหมเช่นสัตว์นรกกรยิมกับผู้ที่ไปสวรรค์กยิมเนี่ยมันเป็นภาษาไทย แต่ถ้าแปลเป็นความหมายภาษาชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งแปลหลายชัน้นนักเลยเนาะแล้วก็กลับไปเรียนภาษาไทยใหม่แนละ้วมั่งดูท่าแล้วคำว่ากยิมเนี่ยนะเช่นสัตว์นรกกรยิมกับผู้ที่จะไปสวรรค์แปลเป็นภาษาไทยว่าสัตว์นรกเห็นผู้ไปสวรรค์ใจคิดว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวเรามัาง่งนั่นแหะแปลว่ากรยิมในพระไตรปดกเนะี่ยสานวนไม่รู้ท่านมาหาท่านเอามาจากไหนก็ ม, มาแปลว่ากรยิม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 เคยได้ยินไหมอย่างอย่างสมัยก่อนนะก็โอ้เด็กบ้านนอกเขาไปไปเล่าไปเรียนบางวิชาแล้วเขาอยากจะไปสอบไปสมัครแสดงว่าใจเขาจริงๆเขาอยากได้ตําแหน่งมาตําแหน่งอยู่แล้วเขาเดินตามเส้นทางอันนั้นมาเรื่อยๆแล้วก็ทั้งสอบทั้งสมัครทั้งทั้งได้รับการคัดเลือกอในที่สุดก็ให้เป็นอย่างที่เขาเป้าหมายชันในคำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือดําเนินตามเส้นทางแห่งโลกุตรธรรม